พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบแปดลำดับที่ห้าโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สิบแปดตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกมีชื่อเรื่องว่าไม่ทำความดีแต่อยากมีบุญ คนอะสมชัยมันห้องก่อนฝนสีตกมันห้องย่อมเว้นจันจยังหันย่อมเว้นก็ห้องฝนตกน่ะมันเห็มนหมันห้องอีกเหมือนแสดงว่าฝนสีเศร้าได้บ้าน <c oughs> สมจะสมชัยห้องสมชัยห้องฝนจะยุดิเลยได้บ้าน ปีนี่ปีสองพันหาอยหสิพกเนี่ยมือว่านกับมือกรน่ะมือว่านเนี่ยฝนตกแข็งมากน้ำบกเคยขื้นเคืองฟังมือในี่เป็นวันที่สิบแปดวันที่สิบแปดตุลาห้าหกน้ำขื้นเคืองฟังตะกรอนบกเคยมีน้ม ปีนี่มี่เธอเดียวเธอเนี้ยแะมีมือเนี่ยคนเราเห็นน้ำก้องเถอะตกจากทั้งบันเพิ่มแห้งบัวว่านกับฝนตกฝนเขาเรียกอยัางกับพายุนาเร่เลยถล่มเวียดนามมาทั้งอีสานทั้งมาทั้งเชียงใหม่มาทั้งอีสานเหนือของพวกเฮ้าพวกเฮ้าก็พ่ายผลกระทบไปด้วยเห็นหน้าหนาวัดของเฮ้ากับน้ำถท่วมเด้ ขันน้าถ่วงอมันลง่งวาเหรอใครอยู่รว่าจริลงวยอยู่มั้งขั้นบอล่งว่านี่ยถ่วงพอดสองสามมือนะโอ้เข่ากาลังเข่ากำลังทองกำลังมาขข่านกำลังจะออกเป็นล่วงเนาใน ง, ง่ายๆเลวแต่เสียหายอย่างมากเลยอ่ะแถวบันจิวแถวนั่นแหละกางใหญ่แถวนั่นน้คยถ่วมเป็นยังไงบูนเนี่ นี่คิดว่าหลวงพ่อก็ดีใหญ่น้าพระเจ้าอยู่พอฝนมันบุกคอยดีแต่ว่าเกิดดีใจน้าส่วนหนึงเกิดส่วนหนึ่งกิอยากได้น้ำขึ้นเขาหนอวาขันหมองน้หมองห น, น้าคุมปฏิบัพ่อแล้วน้ำแต่มองหน้าน้นยังมาท่านพอ่อนี่แหละสาเหตุแห่งคนทะเลาะกันมันบ่ได้ยังใจเฮาทุกสักอย่างพวก หน้าคุมหมดเอผลขนาดนี้พ่อแล้วหน้ามันจะท้วมพวกหน้านอนเพราะวะ่าบอท่านพ่อน้าบอท่านมีมกันทว่าให้หน้าพ่อสาหรับหน้านอนะนาลุ่มก็ น, น้าท่วมลวเลยนีแ่แหละอันนี้คือการพวกเขา้าสั่งบางเสียงบางยามก็ต้องยืดดุนหาการนะยังค่อยได้ขันว่ายืดดุนหากันนะ ใจไผ่ใจมั่นโอ้โดยเฉพาะย่างยิงครอบคั่วผัวเมียลูกเต่าเหล่าล้านในครอบคั่วเดียวกันไปกันดันเอาใจไผ่ใจมั่นยูน้ำกันบ่ใดแต่แล้วค่นาว่าจืดจุนหากันใจเขาใจเห้าพึ่งผ้าอาศัยกันยูได้เพราะโลกกันมันเป็นยูจรงจีละเอาอย่างใจเจ้าของบ่ใดเด้ วันนี้เป็นวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2556วันนี้เป็นวันเตรียมที่จะออกพรรษาเป็นวันป่งผมหรือว่าเป็นวันโกนวันพุ่งนี้เป็นวันปะวรณาออกพรรษาวันที่19ตุลาคม 56เป็นวันออกพรรษาปีพุทธศักราช2556นหแต่วันคืนเดือนปีมันก็ผ่านมาเราจำพรรษาสามเดือนมันก็ผ่านมาผ่านมาแล้วก็จนถึงวันพุ่งนี้แหละเป็นวันออกพรรษาแต่ทิศยังไงพวกเราท่านทั้งหลายก่อนที่จะเข้าพรรษาว่าในพรรษาปี2556เนี่ย ข้าพเจ้าจะตั้งจิตอธิษฐานทําคุณงามความดีอะไรบ้างในพรรษานี้ก็ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราพวกท่านทั้งหลายเองแต่พวกเราพวกเราท่านทั้งหลายแต่จังจิตอธิษฐานไว้แล้วนั่นแหละจะเป็นการโกหกมากน้อยแค่ไหนโกหกตัวเองนะ่ยไม่ใช่โกหกคนอื่นนะ เพราะตัวเองเป็นผู้ตั้งสัตว์นะถ้าว่าไม่ได้ยังสัตว์ใจจริงแปลว่าโกหกตัวเองการโกหกตัวเองไม่มีใครให้โทษมีแต่คุณธรรมในจิตใจของเราติฉินนินทาเราเป็นบุคคลล ะ, ละละไม่จริงจังและไม่จริงใจทำในใจของเราตำานิว่าขาดจะตั้งใจจะลกงด สุราในสามเดือนนี้พอผลในสูตรก็ล้มเหลวข้าพเจ้าจะงดบุหรี่ในสามเดือนนี้ก็ล้มเหลวข้าจะรักษาศีลทุกวันพระก็ล้มเหลวข้าจะไหว้พระทุกวันก่อนนอนก็ล้มเหลวอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ตั้งสั จ, จัก คือความจริงจังและจริงใจเอาไว้ถ้าว่าพวกเร า, เาไม่มีสัจจะและความจริงจังและจริงใจทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเลาะแหลกไปทั้งหมดเลยเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ทบทวนดูนะว่าข้าเพาเจ้าได้ตั้งจิตอธิษฐานอะไรไว้บ้างแต่ว่าพวกเราท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตอธิษฐานาคือตั้งใจมั่น อธิษฐานคือตั้งใจมั่นว่าเราจะทำคุณงามความดีอะไรในเมื่อเราได้ทำคุณงามความดีสมบูรณ์บริบูรณ์แล้ววันพุ่งนี้แหละเป็นวันออกพรรษาเรามารับพรรับพรมาออกพรรษามาออกพรรษาที่วัดข้าพระเจ้าได้ตั้งจิตอธิษฐานก่อนเข้าพรรษาว่าจะรักษาศีลอุโบสถทุกวันพระจะรักษาศีลห้า ทุกวันพระจะรักษาสิหัสตลอดไตรามาสสามเดือนข้าพเจ้าไหว้พระทุกวันมาให้ขาดภายในสามเดือนข้าพเจ้างดชุรางดบุรีงดอบา ย, ยมกุกคุณงามความดีของข้าพเจ้าได้ทาไว้ที่ด้วยสัจจะอธิษฐานสัจจะบา ร, รมีของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความ ราบรื่น่าได้มีอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าตลอดไปจนจนสุดชีวิตอายุไข ข, ของข้าพเจ้าด้วยเถิดอันนี้เราจะค่อยมารับพรรับพรจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้แหละก็คือเราพรต้องได้รับพรเต็มที่แต่ถ้าว่าพวกเราทำมาอะไรก็ตกต ก, ตกลนนหล่นไป กินเหล้าหัวฟัดหัวเวียงเมาเหล้าแล้วยังไปอขอพรก้าวัดมันจะได้อะไรตัวเองก็ทําความชั่วแล้วจะไปให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะให้พรได้อย่างไรแต่ตัวเองจะรับพรตัวเองต้องเป็นคนดีซะก่อนเรียบร้อยซะก่อนเป็นผู้มีศีลซะก่อนมีคุณธรรมในกกจิตใจซะก่อนทําคุณงามความดีซะก่อนแล้วจึงค่อยไปรับพรมันจึงจะได้พรสมบูรณ์ ฟังเอาไว้นะคณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะพูดทางนี้ทางนั้นเป็นแนวความคิดนะฟังดูสิอพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะประทานพรเราดูในพระไตรปิฎกเวลาใส่บาตรพระประเจกพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าท่านเข้าในรถสมาบัติเข้าฌานสมาบัติเจดวันท่านไม่ได้ฉันอาหารคล้ายๆกับ ว, ว่าท่านจะเข้าชม เข้าในโรตจมมาวัตก็คือเข้าชมความสุขในพระนิพพานขณะที่ยั ง, งทรงธาตุขันธ์อยู่อันนี้เราบอาอุปาทิเสสนิพานเข้าสู่นิพพานขณะยังมีชีวิตอยู่อนุปาทิเสสนิพานเข้าสู่นิพพานขณะเมื่อท่านดับดับขันธ์ไปแล้วตายไปแล้วเข้าสู่ปรินิพพานอันนี้อนุปาทิเสสนิพาน อุปาทิเสสนิพานคือเข้าสู่พระนะิพพานขณะยังมีชีวิตอยู่ท่านเข้าดูแลเออช่วงนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราจะเข้าพักผ่อนเข้าฌานพักผ่อนจากนั้นทางก็หาที่ทําเลที่เหมาะที่กุฏิของท่านที่ไหนออท่านตัง้งจิตในนานเออเราจะขู่เข้าสู่นิพพานเข้าสมออความบริสุทธิออ์จากนั้นทางก็พัก ร่างกายของท่านไว้เหมือนกับเราไปจอดรถไวในที่ล่มเออแล้วที่ปลอดภัยพอจอดรถเสร็จแล้วก็ติดเครื่องเอาไวนะ้น่ะจึงจึงจึงจึงึงึงึจงจงอนั้นเออจากนั้นโซเฟอร์กัน่ะเออไปชมตลาดบ้างมาไปพักผ่อนในห้องแอร์บ้งางอไปพักผ่อนอริยาบทเออจากนั้นพอเจ็ดวันโซเฟอร์กัน่ะกลับเข้ามาเข้ามาก็ขับรถ ออกมานี่แหละพระหันที่พระพุทธเจ้าพระปัิเจย พ, พุทธเจ้าหรือพระหันที่ท่านเข้าฌานสมาบาัติลลักษณะอย่างนั้นน่ะท่านที่ปลอดภัยท่านก็ฉัน เ, เจริญแล้วท่านก็เข้าสู่นิพพานอุปาทิเ ส, สนิพพานคือเข้าชมความบริสุทธิ์หลุดพน้นบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เจ้านั้นก็พอได้กําหนดนะท่านก็ออกมา เข้าสู่ร่างกายของท่านพอเข้าสู่ร่างกายของท่านต่างกายของท่านก็หิวละท่าน่หิวเพราะว่าเหมือนกับเราติดเครื่องรถไว้น้นนำมันมันก็ต้องพ่องน้ามันก็ต้องพองทั้งเจ็ดวันติดเครื่องไว้ท่านก็โอใครใครจะทำบุญกับเปล่าเนอะท่านก็มอกวาดสายตาไปไปก็คงจะเป็นเห็นเครือญาติแต่ก่อนเก่าในอดีตชาติ เคยเป็นการสงเคราะห์กันนะท่านก็โอคนนั้นเขามีเขามีจัดศรัทธาหรือเปล่าเนาะเขามีของโอ้มีอแล้วเขาจะทําบุญยังไงเนาะวันนี้ท่านก็มองดูอีกเพราะท่านท่านมียาณทัศนะเนี่ยเจสเสร็จแล้วท่านก็เหาะมาเลยท่านเหาะมาหายแปบ๊บมาต่อหน้าแลย้ยออกไปเดินบิดเบ่าบาทต่อไปคนที่ มีศรัทธาอยู่แล้วท่านมองเห็นอยู่แล้วว่าเป็นคนมีศรัทธาพอเห็นคนนี้ก็เกิดศรัทธาขึ้นมาทันทีเลยโอ้พระผู้เป็นเจ้ามาแล้วขออนุโมทนาบุญเจ้ารับทายาทานของเข้าไปเจ้าด้วยเทิดเนี่ยพระปเจ้าพุทธเจ้านก็เดินเข้าไปรับอาหารพอเนั้นก็ใส่บาตรพอใส่บาตรเสร็จแล้วก็สาธุนะข้าพเจ้าเกิดมาพบนิชานนี้ทุกข์ยากลําบากเหลือเกินขอให้ข้าพเจ้าร่ารวยอย่างพระ อนุรุธะนะข้าพเจ้าเกิดมาพบในชาตินีเ้เป็นเกี่ยวยากขายตลอดอด้วยอเนกสงการทําบุญทําทานกับพระประเจ๊พุทธเจ้าขอให้ข้าพเจ้ า, ามีแต่ความสุขเกิดมาพพหน้าชาติหน้ า, าคำว่าไม่มีาคาว่าไม่มีข้าพเจ้าต้องการอะไรคำว่าไม่มีอย่าได้ข้าพเจ้าได้ยินอีกต่อไป ปราถนาคําสั้นๆนะ่พวกเราเลยสิพระอนุรุทธะปารถนาอข้าพเจ้าเกิดมาในภพใดชาติใดคําว่าไม่มีอย่าให้ข้าพเจ้าได้ยินข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการสิ่งไหนก็ตามขอให้มีอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการคำว่าไม่มีหรอกอย่าให้ได้ยินในเมื่อข้าพเจ้าเกิดณสถานที่นั้นๆเออพอเปรเจกท่านก็มองดู ตัวตดูเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์คิดคำนวณไปในอนาคตอั น, นสงบุญกุศลที่ทำไว้เนี่ย เ, เพียงพอไหมเนี่ยโอ้เพียงพอท่านก็ให้พอเลยเอวังหัวตุเอวังหัวตุอววตขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จสมความมุ่ง ม, มา่ปรารถนาเถอะนะทุกขตากระาทุ จากนั้นกันเนี่ยเทวดากษาทุกด้วยในภพนั้นชาตินั้นก็ได้เป็นเศรษฐีเพราะเศรษฐีเขา เ, เห็นว่าเทวดานุมโมทนาราเนี่ยใครทำบุญอะไรบวาทุกขะทำบุญะจากนั้นท่านมาเกิดมาพบใดชาติใดเขาว่าไม่มีไม่เคยมีเลยนี่แหละอันนี้สรุปแล้วก็คือก่อนที่พวกเราจะรับพรหรือขอพรรับพรเราต้องทาความดีซะก่อน อย่างทุกขตะเนี่ยท่านก็ทำทานซะก่อนแต่จึงจึงตั้งความปรารถนานี่ก็เหมือนกันน่ะพวกเราท่านทั้งหลายในพรรานี้รักษาศีลอุบอโบสถตึกศีลแปดศีลห้าให้ทานตลอดใจมาดสามเดือนไม่เคยขาดอย่างนี้น่ะเรียกว่า ง, ง, งดปุรีงดเหล้างดอบายามุกงดเที่ยวงดเร่ไหว้พระสวดมนต์ สร้างคุณงามความดีมาตลอดด้วยอเนกสงฆ์บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําคุณงามความดีในพรรษานี้ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขชีวิตทั้งชีวิตของข้าพเจ้าได้อย่าได้มีอุปสรรคนานับประ ก, การให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองด้วยศีลด้วยธรรมด้วยอายุวันนะสุขาภาระปฏิพานธนสารสมบัติจะได้ขาดตกบกพร่องกับข้าพเจ้าด้วยเถิน ยังตั้งความปรารถนาไม่ใช่ว่าปรับปรับมากกินเหล้าหัวฟัดหัวเวียงเลยไปขอพรก้าวัดหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อว่ามันจะได้อย่างง่ายลูกหลานไม่ได้ทําความดีก่อนไปขอพรก็ ด, ดีได้เห็นพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เป็นการทัศนศึกษาสมมนานนันจทัศนังเอตมังขรมุตตะมังเห็นสมณะเห็นครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อย่างน้อยท่านก็นแนะนําสั่งสอนเออจะไปกินเหล้าอีกนะอย่างน้อยเคยได้ปีกติเตือนใจเราบ้างดีกว่าจะไปซ้ําไปเติมอีกต่างหากนู่นกินเหล้าเขาเมาหม ด, ดแล้วก็ยิ่งไปหาหมู่หาเพื่อนเข้าไปกินอีกอันนั้นก็ยิ่งแย่อย่างน้อยก็มาหามหาสมณะหาพระกราบพระก้าวัดก็ยังดียังดีอยู่ยังดีจนหน่อยหนึ่งแต่จะให้ดีจริงๆก็คือต้องทําตนให้เป็นคนดีซะก่อนจึงจะดีเลิศประเสริ เพราะนั้นขอให้พวกเราทบทวนดูนะในพรรษาที่ผ่านมาสามเดือนปีสองพันห้าร้ยห้าสิบกเนี่ยพวกเราขาดเหลือขาดตกอะไรบ้างท า, ามันขาดจะทำยังไงหลวงพอ่อทามันขาดเออวันพระหนึ่งหรือสองวันพระญาติพี่น้องพ่อแม่เราป่วยเราขาดไม่ได้ไม่ได้ไ ม, ไดมารักษาศีลวันนั้น เ, เรา ก, รก็รักษาศีลชดเชยใช่ ชดเชยอีกต่อไปอีกเอาข้าพเจ้าจะรักษาศีลอีกนะวันพระต่อไปเนี่ยเพื่อชดเชยให้มันเต็มอันนั้นแปลว่ า, าทำคุณงามความดีชดเชยกันไม่ใช่ว่ามันขาดไปแล้วก็ขาดไปเลยโม้มันขาดแล้วขาดไปเลยไม่ได้นะเหมือนกับเราผ้าขาดอย่างนั้นากางเกียของเราขาดเราก็ต้องปะต้องชุนใช่ปะชุนก็ทาไงก็ทำให้เพิ่มเติมเมข้า อ, อีก เพิ่มเ็้าอีกจนมันเต็มกี่วันอย่างวันไหวพระก็เหมือนกันโอ้เราไม่ได้ไหวพระบางทีเราก็เผลอไผลไปนอนหลับไปเราก็เอาต่ออีกสักเดือนหนึ่งได้ไหมให้ไม่ให้ขาดเลยเนะี่ยใส่ใจเหมือนกับเราในพรรษาเนี่ยแหละอันนี้แปลว่าทำบุญชดเชยประกอบคุณงามความดีชดเชยที่มันขาดเหลือขาดตกบกพร่องไปล้วนแล้วจะเป็น เครื่องอุ่นใจทั้งหมดเราลำลึกขึ้นขึ้นเมื่อไหรเราก็สบายอกสบายใจสบายใจเออในพรรษาปี2556นะันห้าอเน่ยข้าพเจ้าได้ประกอบคุณงามความดีไม่ได้ขาดตกบกพ่องไม่ได้ขาดหล่นเลยสมบูรณ์บริบูรนณะ์เราลำลึกถึงเมื่อไร่เราก็สบายใจมีความสุขใจความสุขใจท่านนะ่ะบุญคือความสุขใจตัวนี้แหละจะติดเราติดจิตติดใจเป็นนานเท่านาน จนถึงใจจะขาดไะเวลาถึงใจจะขาดแล้วก็ระลึกถึงคุณงามความดีเออข้าพเจ้าได้สมาทานศีลรักษาศีลได้ไหว้พระสวดมนต์ได้ทําคุณงามความดีอในพรรษาทุกพรรษาที่ผ่านมาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําคุณงามความดีเหล่านั้นขอให้มาเกื้อกูลหนุนข้าพเจ้านะข้าพเจ้าข้าวนี่เป็นข้าวสุดท้ายละอข้าพเจ้าจะได้ลาโลกละข้าพเจ้าจะได้ ขึ้นเครื่องบินอพอได้รับวีซ่าแล้วเข้าพเจ้าจะได้ไปต่างประเทศและข่าวนี่ฮะอจากนั้นก็บนี่ศีลอยู่ที่ไหนบุญกุศลอยู่ที่ไหนก็บทารักเข้ามาหาเรา เ, เราก็ใส่บุญกุศลเข้าในกระเป๋าเมือกั็เราก็ได้เงินใส่กระเป๋าสเสร็จเรียบร้อยแล้วกันนั่นะไปที่ไหนก็ไปคนมีเงินใช่ไหมถ้าหากว่าคนไม่มีเงินระ ล, ลึกถึงใครสมัยเป็น คนอยู่กันไม่ได้ประกอบคุณงามความดีข้าไปเจ้าไปขโมยเขาที่นั่นข้าไปเจ้าไปป่นเขาที่น่น้าไปเจ้าไปป่นเขาที่นั่นข้าไเจ้าไปกินเล่าเขาที่นั่นข้าไปเจ้าไปกินเหล้าที่นี่แล้วลึกแต่คุดความชั่วของตนเองแล้วเป็นยังไงเถื่อนพอใจขาดเขาไปเ่อนจมมรโทษนะแต่แกเป็นคนชั่วจริงแล้วเนี่ยไปแต่นั้นเขาก็ลากไปสู่กรรมชั่วเถื่อนเพราะฉะนั้นกรรมชั่วอย่าทํำเสลยดีกว่า เพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นให้ทําแต่กรรมดีคิดดีทดําดีพูดดีถ้าทำได้ย่างนั้นพวกเราสบายใจถ้าเราทำสิ่งที่มันไม่ดีเดือดร้อนนะเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะหลวงพ่อมีแต่ย้ําเตือนในพรรษาที่จะผ่านวันพุ่งนี้แหละเป็นวันออกพรรษาแล้วก็วันพุ่งนี้ แเราคงจะบินทบาด ท, ที่ศาลาใหญ่ที่ข้างนอกนะให้ประกาศผู้ใหญ่บ้านคำนันเหมือนทุกครั้งนั่นแหะเพราะว่าเราเป็นครั้งแรกให้เขาเตือนกันแล้วก็มาใส่บาดใครจะมานะใครไม่มาก็ไม่เป็นไรแต่พูดที่จะมาไม่ใช่เขาจะคอยอยู่ที่บ้านเหมือนกับใส่บาดเดี๋ยวเอ้ยทําไมครูบาอาจารย์ไม่บอกไปกล่าวพวกเราก็บอกซะให้เขาประกาศกันทุกวันนี่มันประกาศง่ายนิดเดียว ใช้เครื่องขยายเสียงนะก็เออวันพุ่งนี้เน่ะครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้มาบินทบาทบ้านเรานะท่านจะบินทบบาทที่วัดผู้ใดจะจะไปทําบุญก็เออเอาไปเชิญก็ดีพี่น้องลูกหลานเขามากันมาทานอาหารด้วยกัน เ, ออเลี้ยงอาหารกันออในวัดนี่แหละวันพุ่งนี้ออจากนั้นก็ อ, อตอนเย็นเ อ, อบางทีอาจจะออกไปทั้งนอกอีก หรือว่อยู่ข้างในเกิดจุดแท้แต่อาจจะอยู่ข้างใน่ะข้างวันวันออกพรรษานะแล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดจากนั้นให้เตรียมพร้อมอะไรตัวไหนตั้งแต่ออกพรรษาแล้วก็ให้เตรียมพร้อมตัวไหนอู้บาทั้งหลายผู้เท่าผู้แก่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายช่วยช่วยกันทําความสะอาดพอวันที่ยี่สิบเจ็ดวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดเป็นวันกรถิ่นของพวกเราละทีนี้น เป็นกรินนี่เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวพวกนั้นขอให้พวกเราช่วยๆการคิดนะเรื่องกระถินแล้วก็คงจะมีพี่น้องทุกปีที่ผ่านมากัศรัทธาญาติโยมกันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนะั่นแหละหนักพอสมควรแต่พอถึงยังไงก็ดีพี่น้องมาเยี่ยมเยียนเราพวกเรากันะน่าจะภาคภูมิใจที่พวกเราได้ เป็นเจ้าของสถานที่เจ้าของถิ่นพอหลวงพ่อเองบอกให้พวกเรานะอย่าเป็นหลบหลบลีเล่นะสู้เ้าให้สู้ต้องสู้ออกต้องออกรับแขกรับคนอันไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเอามาแบ่งอยู่แบง่ you, แบงกินแบง่งใช้หลวงพ่อมาให้ขี้ตีนทีเหนียวนะยังเวลายามยเวลายามพี่น้องเข้ามาเยี่ยมเยียน แต่ถ้าว่าไม่มีแล้วก็อย่าไปฟุงฟ้งเฟ้อฟุ้งเฟยอยู่ในความประหยัดอยู่ในความสงบนิ่งอย่าไปเพ่นดผ่านบุญวัยใครอยู่ที่ไหนให้อยู่ในความสง บ, งาา บ, าาสงบภาวานาของใครของเราดูอนิจจังทุกขังอนัตตาดูความเกิดความเสื่อมความเกิดแก่เจ็บตายชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะไม่รู้เราจะได้รับได้รับวีซ่าวันไหน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันนะเอาความจริงมาพูดให้การฟังเตือนกันเอาไว้เตือนกันดีกว่าไม่เตือนถ้าเตือนกันแล้วก็เออเนาะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสิ่งไหนที่จะเป็นความหายนะทิมมันสิ่งที่มันชั่วเราอย่าไปคิดอย่าไปพูดอย่าไปทําในสิ่งที่มันชั่วให้มองตัวเองอยู่ด้วยกันให้มองเจ้าของให้ดูเจ้าของให้ดูตัวเอง ข้าพเจ้าเนีขาดเดือขาดตกอะไรคุณงามความดีของข้าพเจ้าเพียงพอหรือยังเมื่อมรณะภัยเข้ามาถึงข้าพเจ้าบุญกุศลของข้าพเจ้ามีพร้อมหรือยังข้าพเจ้าได้ได้มักผลชั้นไหนเดี๋ยวนี้ขณะนี้เลนี่แหละให้มองเจ้าของถ้าคนมองเจ้าของเน่ยเรื่องมันน้อยนิดเดียวไม่มีปัญหาถ้ามองส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกนั่นนะเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งหมด คนนั่นก็ไม่ดียังนี่คนนี่ก็ไม่ดียังนั้นคนนั่นน่าจะทำยังนี้คนนี่น่าจะทำยังนั้นอย่างหลวงปู่ฟันท่านบอกว่าชี้ออกไปข้างนอกคนนั่นน่าจะเป็นอย่างนี้คนนี่น่าจะเป็นอย่างนั้นชี้ออกไปนิ้วเดียวแต่พอมันโค้งมาหาตัวเองในนิ้วมือตัวข้าพเจ้าควรจะทำอย่างไรควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรควรจะทาตนอย่างไรให้ถูกต้อง ดีที่สุดนี่แหละครูบาอาจารย์นะว่าให้ดูเจ้าของชี้ไปหาคนอื่นชี้นิ้วเดียวแต่มันชี้มาหาตัวเองทั้งสามนิ้ว่ะอ่ยตอนนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะให้ช่วยช่วยกันคิดช่วยช่วยกันทําให้ช่วยกันสั่งสมบุญกุศลต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างจากกันไปเหตุไหมพ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ยายหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ ผู้เฒ่าผู้แก่ไม่รู้กี่คนนะลมหายตายจากไปพวกเราจะไม่ไปอย่างนั้นเหรออีกสักวันหนึ่งพวกเราคงจะเดินตามหลังกันไปเรื่อยๆนะ่ะอันรับพรในตอนนี้อนุโมทนาให้พร